บทที่ยี่สิบเจสามเกลอยายกับหลานตื่นนอนพร้อมกันตอนตีสี่คนเป็นหลานเดินไปปลุกพี่สาวให้ลุกหุงข้าว นางสาวจำแลงไม่คุ้นกับการตื่นแต่เช้ามืดจึงบ่นกระปอดกระแปดคนกำลังหลับสบายสบายดันมาปลุกให้ตื่นบาปกรรมนั่นเองน่ะเองนะั่นแหละบาปนอกจากจะบาปแล้วก็ยังหาผัวไม่ได้ผู้ชายที่ไหนเขาจะมาเอาคนขี้เกียจขี้คร้านไปทำลูกทำเมียคนอะไรไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่น ประโยคหลังเขาจำขึ้นใจด้วยเคยได้ฟังถ้อยคำเหล่านี้บ่อยๆจากปากยายจะหาผัวได้หรือไม่ได้มันไม่หนักกระบานเองนีนาะสาวสวยอย่างจำแรงหาผัวไม่ได้ให้มันรู้ไปพี่สาวเถียงน้องชายถ้าคนอย่างเองสวยแล้วก็ในตาบล น, นี้จะหาคนขี้เหร่ไม่ได้แม้แต่คนเดียวเอาละ ข้าไม่อยากเถียงกับเอ็งให้เสียเวลากำลังปวดท้องขี้ข้าไปละพูดจบก็เดินลงบันไดหลังบ้านเพื่อไปถ่ายทุกคนเป็นพี่สาวได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่แต่ผู้เดียวบ้านยายทันสมัยกว่าบ้านอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยว่าคนบ้านอื่นนั้นเมื่อต้องการถ่ายทุกก็ต้องออกไปตามท้องไร่ท้องนา เรียกกันว่าไปทุ่งส่วนบ้านยายเพียงเดินลงบันไดหลังบ้านก็ถึงห้องส่วมแล้วยายรอจนหลานขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วจึงชวนเข้าห้องพระเพื่อสวดมนรรมต์ทำวัดเองจะได้เดินทางด้วยความสวัสดีมีชัยยายบอกไม่รู้ว่าผมจะจำได้หมดหรือเปล่าคําทำวัดเช้านะยายหนุ่มน้อยวิตก แม้จะได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันหากก็ไม่แน่ใจว่าจะจำได้ทั้งหมดโดวยว่าไม่สนใจจะจดจำไม่เป็นไรตอนไหนจำไม่ได้ก็ให้ว่าตามยายนี่เป็นเพราะเองไม่เอาใจใส่นะสิยายได้โอกาสต่อว่าก็ถ้าผมเอาใจใส่โมแต่นั่งสวดมนต์ทำวัด แล้วใครจะเป็นคนหุงข้าวให้ยายกินล่ะครับล้านชายไม่ยอมแพ้เอาเถอะอย่ามัวมาต่อล้ะต่อเทียงอยู่เลยตามยายเข้าไปในห้องพระเดี๋ยวนี้นี่แหละแล้วคนอายุเจ็ดรอบจึงเดินนําคนอายุย่างสิบหกเข้าไปในห้องพระยายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนมาตรายัยส่วนหลานนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่เบื้องหน้า หลังจุดทูปเทียนเสร็จยายเจนกล่าวนำธีระประโยหลานชายกล่าวตามพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพควะวโหติโลกะนาถังรัตนตยังอภิปูชยามิ จากนั้นยายจึงขึ้นโยโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธหลานชายรับว่าสวาค้าโตเยนะภะคะตาธรรมโมและจึงสวดพร้อมกันไปจนจบสังเวคะปริกิตตณะปาถะเมื่อสวดมนต์จบถึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จสิ้นการทำวัดเช้าไอ้หนูเอ็งเก่งนี่นะที่จาได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องให้ยายว่านำ้ำเป็นครั้งแรกที่ยายชมอย่างจริงใจและไม่ประชดประชันก็ผมมียายเก่งนี่ครับเลยต้องเก่งตามยายหนุ่มน้อยชมตอบความจริงถ้ายายให้สวดคนเดียวเขาก็สวดไม่ได้ แต่พอมีเพื่อนสวดก็พอจะกล่อมแกร้มไปได้จนจบไปอยู่บังกอกเองต้องสวดมนต์ทุกวันนะไอโน้ครับถ้าผมมีเวลาแต่ยายครับตอนบูชาพระรัตนตรัยที่ยายให้ผมว่าตามนะ่ะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนยายได้มาจากไหนหรือครับเขาหมายถึงพุทธบูชามหาเตชะวันโตได้มาจากหลวงพ่อช้าง ถ้าเล่าให้ยายฟังว่าพระในป่าให้ท่านมาตั้งแต่ครั้งเดินธุดงและทำไมวันอื่นๆผมไม่เห็นได้ยินยายสวดแบบนี้บ้างเลยเคยได้ยินแต่โยโสภคะวาเพราะวันนี้เป็นวันที่ยายต้องการให้แปลกไปจากวันอื่นๆ น, นะสิหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาไวส้สวดในโอกาสสำคั ญ, คญเพื่อความสวัสดีมีชยัย ก็วันนี้เองจะเดินทางไปเรียนที่บางกรอบนี่นาะยายจึงต้องสวดเอาเลิกเอาชัยไว้ก่อนก็ไหนยายเคยสอนผมไม่ให้ถือเลิกยามเมื่อไรที่เราทำดีเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเลิกดีคนเป็นหลานแยง้งยายไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนต่างหากนี่เองจะมายกย่องให้ยายเป็นาศาสดาหรื อ, อยังไง จ้างยายก็ไม่เล่นด้วยกลัวขี้กรากขึ้นหัวถ้าอย่างนั้นยายก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านสอนเพราะยังถือเลิกยามอยู่ก็ไม่เชิงหรอกนะไอ้หนูเอ็งอย่าเข้าใจผิดอย่าหาว่ายายโง่เง่ า, ง, างมงายแบบนั้นการที่เราสวดมนต์ก็เท่ากับเราทําดีเมื่อทําดีก็เลิกดีอยู่แล้ว ถ้ายายงมงายป่านนี้ก็คงไปหาหมอมาทำขวัญให้เองแล้วน่าสิยายไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆเรื่องผีเรื่องเจ้าเข้าทรงก็ไม่เชื่อยายเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ายายไม่เชื่อพระแต่ทำไมถึงได้เชื่อหลวงพ่อช้างคนเป็นหลานเถียงอย่างจะเอาชนะยายรู้ทันจึงว่าไอ้โน เองอย่ามาคิดเอาชนะค้าการอะไรกับยายเลยเองเข้าใจที่ยายพูดแต่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจเอาละเดี๋ยวจะไปช่วยกันสารวจตรวจตราข้าวของที่ยายเตรียมไว้ให้เพื่อขาดเรืออะไรจะได้จัดหามาให้ครบอีกไม่นานพระก็จะมาบินธบาตวันนี้เองต้องใส่บาทนะยายยกบุญให้เองวันหนึง่งยายพูดแบบคนเสียสละเพื่อล้าน ทุกวันผมก็ได้บุญอยู่แล้วละยายก็ผมเป็นคนหุงหาก็ได้บุญคนละครึ่งแต่วันนี้ผมได้ครึ่งหนึ่งกับนางจำแลงส่วนยายไม่ได้เลยได้สิทำไมยายจะไม่ได้ในเมื่อข้าวปลาอาหารของยายก็ต้องแบ่งออกเป็นสามส่วนแต่วันอื่นๆยายได้สองส่วนเองได้ส่วนหนึ่ง เทียงอย่างไรา ย, ยายก็ไม่ยอมเสียเปรียบแม้จริงๆนะยายเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครงกบุญเท่ายายจางแห่งตำบลบางม่วงหมูเลยจะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องคิดถึงเรื่องบุญคุณก่อนเสมอคนชาติอื่นเขาคิดกันแค่เรื่องกำไรขาดทุนเท่านั้นไม่เห็นมีใครคิดอย่างยายสักคนหลานชายกึ่งชมกึ่งตำหนิ เรื่องของคนอื่นคนเราไม่จาเป็นต้องคิดเหมือนกันสำหรับยายถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการทำบุญเพราะเราสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลไปได้ถึงชาติหน้าส่วนการลงทุนอย่างอื่นถึงจะได้กำไรมาหาศาลปานใดก็ได้แค่ชาตินี้เท่านั้นบางคนหาเงินทองไว้มากมายยังไม่ทันได้ใช้ก็เกิดมาตายเจ๊ก่อน มีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างอปแปะนั่นยังไงละยายแกแสนจะขี้เหนียวหาแต่เงินงกงกไม่ยอมใช้จ่ายพอตายลงก็เอาไปด้วยไม่ได้ถึงไว้แค่ให้ป้าเหรียญผลานได้การเอาไปซื้อเหล้ากินนั่นสิแทนที่จะเอาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผัวแต่ก็ช่างหัวมันเถอะกรรมของมัน ยายไม่อยากพูดถึงนางลูกคนนี้แต่ยายก็ยังอยากจะแบ่งสมบัติให้แกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงสมบัติแม้จะค่อนข้างแน่ใจว่ามันมาลายศูนย์ไปแล้วอย่าไปอิจฉามันเลยไอ้โนเอาเถอะเรื่องนั้นไว้ค่อยคิดกันทีหลังรอให้เองเรียนจบกลับมาสิก่อนแต่ถ้าเองกลัวว่ายายจะตายก่อนเองกลับยายก็จะสั่งแม่เองเอาไว้ เออยายเตรียมห่อเงินไว้ให้เองเรียบร้อยแล้วแปดสิบช่างคงพอนะแล้วยายก็เอาสายสะพายเผื่อไปหนึ่งเส้นเองอย่าทําหายนะไอ้โน้แล้วก็จำไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าได้เอาไปขายเข้าใจรือเปล่าเอาละเองไปใส่บาทได้แล้วเสร็จแล้วก็ตามไปที่ห้องยายนุมน้อยจัดการใส่บาทพระห้ารูป ตามที่ยายสั่งเสร็จแล้วก็ยกเข้าไปในห้องยายออกสงสัยว่าสายสะพายที่ยายจะให้เขานำไปบางกอกนั้นเป็นสิ่งเดียวกับที่ยายเอาใส่ไว้ในหายหรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าสมบัติเหล่านั้นมิได้หายไปไหนเมื่อเข้ามาในห้องของยายหนุ่มเจริญก็เห็นกองเงินกองโตวางอยู่บนผ้าสี่เหลี่ยมพื้นใหญ่ยายยังไม่ได้มัดเพราะ ต้องการจะให้เขาตรวจดูว่าครบแปดสิบช่างหรือไม่ข้างๆกองเงินมีถ่ายสีแดงวางอยู่เขาจึงถามว่าแล้วถ่ายนี้ใส่อะไรครับหรือว่าใส่สายสปายที่ยายจะให้ผมนำติดตัวไปถูกแล้วแต่เองต้องสัญญากับยายนะว่าหากไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเอาไปออกขายเป็นอันขาดครับผมให้สัญญา แล้แหนลักครับสายสะพายยายเอามือล้วงเข้าไปใต้หมอนแล้วหยิบสายสะพายหนักแปดบาทออกมาใช่เช่นเดียวกับที่ยายให้ผมฝังคืนนั้นหรือเปล่าครับผมจําได้ว่าทั้งหมดมีสามเส้นคนถามออกตื่นเต้นเอ็งว่าใช่หรือเปล่าละ่ะยายแซงลองใจใช่ครับถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ามันไม่ได้หายไปไหนอย่างที่ผมคิด เขาพลั้งปากออกมาจนได้ทำไมเองจึงคิดว่ามันหายละ่ะก็ไหนเองพูดว่าซับจะหนีก็ต่อเมื่อเองขโมยเท่านั้นนอกสจากเองใครจะกล้ามาขโมยของยายแม้ยายแล้วก็เรื่องมาแล้วไปแล้วยังเอามาพูดให้สแสลงหูสแสลงใจสแสลงใจผมอีกล้านจายต่อว่า ไอ้หนูยายรู้นะว่าเอ็งตั้งใจจะขโมยของยายไปขายดีแต่ว่าทรัพย์เคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่อื่นก่อนเอ็งถึงทำไม่สำเร็จแต่เอาเธอแล้วก็แล้วกันไปยายไม่ถือโทษโกรธเคืองเอ็งหรอกแต่ก็ขอเตือนว่าอย่าได้คิดทําเช่นนี้อีกโดยเฉพาะเมื่อเอ็งไปอยู่กับคนอื่นเขาอย่าไปทํามือสั้นมือยาวเหมือนอยู่กับยายไม่ได้นะ ไม่เช่นนั้นเขาจะดูถูกมาถึงพ่อแม่ว่าสอนลูกไม่ดีเองจะให้สัญญากับยายได้ไหมสัญญาเรื่องอะไรครับคนเป็นหลานไม่ทันได้สำเนียกด้วยว่ายายพูดเย่นเย้อจนเขาจับใจความไม่ได้สัญญาว่าจะไม่ไปทํามือสั้นมือยาวที่บางกอกนะสิผมจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อมือของผมมันก็แค่นี้จะให้สั้นให้ยาวไปกว่านี้ผมทําไม่ได้แนะ่ หรือว่ายายทำได้หลานชายไม่ไวายยัวไอ้หนูเอ็งอย่าพาออกนอกเครื่องนี่ยายพูดเป็นงานเป็นการนะเอ็งต้องสัญญากับยายอย่าให้ผู้บังเกิดเกล้าของเอ็งต้องอับอายขายหน้าคนเขาจะด่ามาถึงพ่อแม่เอง็งว่าไม่รู้จักอบรมสั่งสอนลูกก็พ่อกับแม่เขาไม่เคยสั่งสอนผมสักหน่อยเห็นมีแต่ยายนี่แหละ ที่ทั้งสั่งทั้งสอนคนอ่อนวัยกว่ายังคงนึกเถียงพูดแบบนี้ระวังจะตกนรกอยู่ดีไม่ว่าดีก็มันจริงๆนินี่ยายผมพูดความจริงทำไมต้องตกนรกด้วยเพราะเองจาบจ่วงผู้ให้กําเนิดของเองมาสิพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกใครทำไม่ดีพ่อแม่ก็เหมือนกับพระอรหันต์ แค่คิดไม่ดีก็บาปแล้วอย่าว่าแต่ทำไม่ดีเลยบาปยังไงครับก็มโนทุจริตนะสิหลานการทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตก็ชื่อว่าทำบาปนั้นยายครับอีกกี่ชั่วโมงผมกับยายจะต้องจำรากจากกันนานหลายปียายจะไม่มีอะไรที่ไปยรอสนอสด มาให้ผมฟังบ้างหรือครับเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยผมฟังมาตั้งแต่หัวเท่ากัมปันเปลี่ยนเรื่องสิบ้างสี่ยายเอาเรื่องสังทองหรือเรื่องจันทโครบก็ได้นี่ถ้ายายเป็นโตโผลลิเกลับรองเจง๊งเพราะเล่นซ้ำเล่นซากอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องเดียวนี่แหละสําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเอาละถ้าเองเบื่อจะเล่าตอนไหนก็ได้ รับรองว่าเองไม่เคยสนใจฟังมาก่อนเรื่องเดิมแต่ตอนใหม่หรือยายชื่อตอนอะไรครับตอนสามเกลืองั้นผมก็เคยฟังแล้วที่มีไอ้มืดใหญ่ไอหมูดมากแล้วก็ไอตูดแหลมใช่ไหมครับยายไม่ใช่ก็ยายบอกแล้วไงว่าเองไม่เคยได้ฟังมาก่อนแต่ว่าอยากจะฟังหรือเปล่า แต่ถึงยังไม่อยากฟังยายก็จะอยากเล่านึกว่าเป็นของขวัญวันเดินทางของเองก็แล้วกันเอาละเมื่อยายจะเล่าก็ต้องนอนเอาละเมื่อยายจะเล่าก็ต้องนอนเองก็ต้องนวดให้ยายตามระเบียบว่าแล้วยายก็ขึ้นนอนบนเตียงถ้าผมไปเสแล้วใครจะนวดให้ยายล่ะครับยายพูดนั่งจำแรงไงละ่ะ แต่ไม่รู้จะได้เรื่องได้ราวเท่าเองไหยรับรองว่าไม่เท่าคนอย่างผมมีหนึ่งเดียวในจั ก, กรวาลหนุน่มน้อยได้โอกาสอวดสรรพคุณตนเองขณะนวดต้นคอแล้วไล่ลงมาตามแผ่นหลังที่เนื้อนหนังเหี่ยวย่นเพราะความชราเอาละไม่ต้องยกย่องตัวเองระคังดังเองมีที่ไหนมีสิยายเขาเรียกว่าระคังอั ป, ปรีไม่ตีอย่างเสือกดัง ไปเองไม่ใช่ระครังเพราะฉะนั้นก็อย่ายกย่องตัวเองมันผิดธรรมเนียมคนไทยเอาละอย่ามัวมาต่อล้อต่อเถียงตั้งใจฟังนิทานเรื่องบุญบาปตอนสามเกรอได้แล้วเห็นหลานไม่พูดอะไรยายจึงเริ่มต้นเล่า กาลครั้งหนึ่งมีคทาชายนายหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขามีเกลออยู่สามคนคนที่หนึ่งเขารักมากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกรอคนนี้เกรอคนที่สองเขารักรองลงมาจากคนแรกส่วนคนที่สามเขาไม่ได้สนใจและไม่เคยทำอะไรเพื่อเกลอคนนี้เลยต่อมาไม่ช้าไม่นานเขาก็ตายลง ความที่จิตเขาผูกพันอยู่กับเกรอคนที่หนึ่งเขาจึงไปหาเกรอคนนี้ไม่ใยดีเขาเลยเขาพูดด้วยก็ไม่ยอมเจรจาตอบเขารู้สึกเสียใจมากนึกเสียดายว่าขณะมีชีวิตเขาไม่ควรทุ่มเทเพื่อเกรอผู้นี้จากนั้นเขาก็ไปหาเกรอคนที่สองเกรอผู้นี้ดีกว่าคนแรกตรงที่ตามไปส่งเมื่อเขาเดินทางไปปอร์โรก แต่ท่งเพียงครึ่งทางก็กลับคงมีแต่เกลคนที่สามเท่านั้นที่ติดตามเขาและร่วมเดินทางไปกับเขาตลอดเส้นทางไม่เคยทอดทิ้งเขาแม้แต่เพียงอึดใจเดียวเสียงเล่านิทานหยุดชะงักลงด้วยว่าคนเล่ากำลังคิดถึงเกรอคนที่สามซึ่งคงจะได้พบกันและร่วมเดินทางไปปรลโลกด้วยกันในไม่ช้านี้ แล้วยังไงอีกยายเล่าต่อสิครับคนฟังกำลังเพลินจบแล้วทีนี้เองลองบอกยายมาสิว่าเกรอทั้งสามของคาาชายในคนเนี้มีใครบ้างผมไม่รู้หรอกยายก็ผมไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเขานี่นาหนุ่มน้อยหาทางออกแต่เองต้องรู้เพราะเมื่อเองตายก็ต้องพบสามเกรอนี้เช่นกัน เองจะได้เตรียมตัวปฏิบัติต่อเกลอทั้งสามให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เช่นนั้นก็จะต้องเสียใจเหมือนชายผู้นี้ถ้าเช่นนั้นก็เก็บไว้ก่อนทยายยังอีกตั้งร้อยกว่าปีกว่าผมจะตายคิดไว้ตอนนี้รับรองว่าต้องลืมไอ้หนเองอย่าหาทางออกแบบนั้นตอบมาเสดดีๆหรือถ้าเองไม่รู้ก็บอกมาตามตรง ยายจะได้เฉลยให้ฟังในโลกนี้มีอะไรบ้างที่คนอย่างนายจเจริญไม่รู้มีสิก็ข้อสอบอยังไงละ่ะไม่เช่นนั้นเองจะสอบตกหรือยายค้านเสียงเรียบแม้ยายแล้วก็ชอบเอาปมด้อยของผมมาพูดอยู่เรื่อยชักน้อยใจแล้วนะคนพูดหยุดนวดลงทันใดก็ยายไม่ชอบให้เองยกยอตัวเองนี่นาะ มันผิดธรรมเนียมของคนไทยเอาละไหนลองตอบคำถามเรื่องสามเกลอให้ยายฟังก่อนหนุ่มน้อยใช้เวลาคบคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึง่งจึงตอบว่ายายผมคิดได้แต่เกลอคนที่สามส่วนอีกสองเกลอผมยังคิดไม่ออกไหนว่ามาสิเปิดประตูลมให้ยายด้วยอย่านั่งเฉยๆอย่างนั้น เกลอคนที่สามก็คือบุญกับบาปเพราะยายเคยสอนว่าเมื่อเราตายลงไปเอาอะไรไปด้วยไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ตามเราไปได้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่เกลอคนที่สามที่ชื่อในบุญให้มากมากส่วนในบาปเราต้องหนีให้ไกลๆอย่าได้เอาไปเป็นเพื่อนร่วมทางโดยเด็ดขาด ถ้าเช่นนั้นเกเรคนที่หนึ่งก็คือทรยบสมบัติใช่ไหมครับเพราะเวลามีชีวิตอยู่เราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่พอเราตายมันก็ไม่ไปกับเราแถมเราพูดด้วยมันก็ไม่พูดถูกแล้วคนบางคนถึงกลับไปคดโกงคนอื่นเข้าเพื่อเกเรคนนี้พอตายก็เลยต้องเดินทางไปปลโลกกับในบาป แล้วคนที่สองล่ะครับยายคือผมไม่อยากได้คะแนนเต็มหนักครับยายเฉลยมาดีกว่าผมทายถูกสองข้อก็พอใจแล้วคือลูกเมียญาติพี่น้องเพราะพอเราตายเขาก็ทำบุญให้เราทำศพให้แปลว่าเขาไปส่งเราแค่ครึ่งทางเพราะฉะนั้นคนเราต้องเอาใจใส่ให้มากก็คือ คนที่สาใครที่มัวหลงไหลเอาใจแต่คนที่หนึ่งจึงเป็นคนงโง่แต่คนงโง่มีมากกว่าคนฉลาดนะยายคนทุกวันเนี่ยเขาก็เอาใจใส่แต่เกรอคนที่หนึ่งกันทั้งนั้นยกเว้นคนที่ชื่อยายจางแห่งบางม่วงหมู่ใช่นะสิก็ยายเป็นคนฉลาดนี่นายายสอนผมอยู่หยกๆยก ว่าไม่ให้ยกย่องหรือยกยอตัวเองเพราะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยและทำไมยายมาเป็นซิเองล่ะครับยายเผลอไปนะ่ะก็พวกหนุ่มๆสาวๆยังมีวันพลั้งเผลอแล้วนับประษาอะไรกับคนอายุแปดสิบเก้าสิบอย่างยาย